Book 2 7เจ7สเจเหตุผลบางประการส j u s t i f i c a r alguma coisa 3ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะไมคุณไม่ทานเคกชิ้นนี้ล่ะคนมา ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ eu tenho que emagrecer ดิฉันไม่ทานเพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ eu não como, porque tenho que e m a ท r e c e r ทำไมคุณไม่ดื่มเบียร์คะ่งก็เ q u e ก์นั้นเบ e ้าซีรดิฉันต้องขับรถค่ะเอู๋ะตั้งยิ่งที่จะค ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ eu não ัมเบบุเพราะกีอินดะแทนุค์ก็คุณดูทำไมคุณไม่ดื่มกาแฟคะ p o r q u เ é que n ã ม bebes o café? มันเย็นแล้วค่ะ ele está frio ดิฉันไม่ดื่มกาแฟเพราะมันเย็นแล้วค่ะ eu não o bebo, porque está frio ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะดิ que não be ฉันไม่มีน้ำตาลคะ่ะดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลคะ่ะทำไมคุณไม่ทานซุป ดิฉันไม่ได้สั่งค่ะเดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะดิฉันเป็นมังสวิรัติคดิฉันเป็นมังสวิรัติค่ะ ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ